ความในคำพีคุตการนิกายอิติวุตกะนะครับพระสุตันตปิฎกเล่มที่45ต่อว่าด้วยกามะสูตรนะครับในข้อ276นะครับดูกานพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยกามะโยคะผู้ประกอบแล้วด้วยภวะโยคะเป็นผู้ยังมา ยังต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออัตภาพแห่งมนุษย์นะครับหมายความว่าต้องกลับมาเกิดอีกเหมือ น, นถ้ายังมีกามโมโยคะกับภวะโยคะนะดูกับพิสูจทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พลากแล้วจากกามโมโยคะแต่ยังประกอบด้วยภวะโยคะเป็นอนาคามีไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้นะครับพระอนาคามีนี้ไม่มีกามโมโยคะนะครับแต่ก็ยังยินดีในภพย ดูการพิสูจทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พากแล้วจากกามโยคะพากแล้วจากภาวะโยคะเป็นพาหันตะคีนาศเป็นพระาหันผู้สิ้นอาสวะแล้วนะเพราะว่าหมดโยคะแล้วนั่นก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะนะผู้ยังต้องกลับมาสู่โลกนี้ผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้และประเภทที่สคือพระาหัน์สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยกามโยคะและภวะโยคะ ย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายส่วนสัตว์เหล่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับถ้าหากว่าถึงฝั่งก็ไม่ต้องไหว้เนี่ยนะครับไม่ต้องไหว้อีกแล้วก็แบ่งออกเป็นสามประเภทนะนะคือประเภทที่ยังต้องกลับมาสู่ภพนี้หมายถึงปุตุชนทั้งหลายหมายถึงพระโสดาบันและพระสกทาคามีส่วนผู้ที่ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้ก็คือพระนาคามีส่วนผู้ที่ไม่ต้องปฏิสนธิในภพใดๆเลยก็ได้แก่พระหันนะครับ ในอัตถกาถากามสูตรที่7เนี่ยนะครับบทว่ากามโยคายุตโตความว่าราคะที่ประกอบด้วยเบญจะการมคุณชื่อว่าการมโยคะนะครับเน้นไปที่ตัวโลภะนะตัวตันหาตัวราคะที่ยินดีในรูปเสียงกลื่อนรสและโพธภาราคะอันนี้แหละครับชื่อว่าการมโยคะโยคะยคนี้แปลว่าเครื่องประกอบนะครับตัวประกอบเอาไว้ในกาสมานะ บุคคลผู้ประกอบด้วยกามโยคะนั้นชื่อว่ากามโยคายุตโตนะบ่งถึงบุคคลนะบุคคลผู้มีจิตเป็นไปกับราคะที่ยินดีในเบญจากามคุณถ้าใช้คําว่าราคะเฉยๆเนี่ยเป็นสภาวะธรรมนะนะถ้าบบุคคลก็คือบุคคลที่มีราคะแบบนี้นะครับถ้าใช้คําว่าบุคคลก็คือรวมๆนั่นเองนะครับ บอกว่ากามโยคายุตโตนี้เป็นชื่อของกามราคะที่ยังตัดไม่ขาดหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ยังละโลภไม่ได้ได้ตัดใจตันหาเป็นต้นก็เกิดนะครับความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจในรูปประพบและอรูปประพบทั้งหลายชื่อว่าภาวะโยคะเนี่นะคือผู้ที่ยินดีในรูปฌานหรืออรูปฌานยินดีในรูปประพบอรูปประพบปรารถนาจากความเป็นพรหมนะครับ เพราะฉะนั้นความใคร่ในฌานหรือว่าราค่าอันประกอบด้วยสัสสตทิฏฐิก็อย่างนั้นคือหมายความว่าเป็นภวะโยคะเหมือนกันเั็นนะฉะนั้นคำว่าภวะโยคะนั้นได้แก่ความพอใจในรูปประพบอารูประพบหรือความใคร่ในฌานหรือตัณหาที่มีสัสสตทิฏฐิเกิดร่วมด้วยนะคร ค, ครั บ, บคาว่าสัสตทิฐิตรงนี้อาจจะคงจะไม่ได้หมายถึงว่า ต้งประกอบด้วยชานใช่ไหมคือสัสตทิฏฐินี่ยนะครับมันเป็นทิฏฐิเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะทิฏฐิกตะสัมพยุทธ์นะครับซึ่งไอ้โลภะอันนี้เนี่ยนะครับทิฏฐิอันนี้เกิดร่วมกับโลภานั้นเป็นทิฏฐิที่มีความสําคัญว่าเที่ยงนะครับเช่นว่าไปอยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์เที่ยงทั้งหลายและเนี่นะครับผู้ที่มีความคิดลักษณะนี้เรียกว่าสัสตทิฏฐินะครับอันในตัวสัสตทิฏฐินี้เป็นชื่อของทิฏฐิเจตสิกนะครับ ซึ่งเกิดร่วมกับโลภนะถึงศัสดะที่ถี่นี้อาจจะสําคัญในรูปประพบหรือรูปประพบก็ตามหรือสําคัญในเทวดาทั้งหลายก็ตามนะสัสนะที่ถี่อันนี้ก็เรียกว่าภวะโยคะเหมือนกันตัวราคะที่เกิดร่วมกับทิฐินั้นก็ชื่อว่าภวะโยคนะเช่นพวกที่เข้าใจว่าข้างในตัวเนี่ยนะมีกายซับซ้อนอยู่ข้างในตัวนะเช่นว่ามีร่างกายที่เรียกว่ากายทิพมันอยู่ข้างในนะมันตายแล้วมันจะออกจากตัวเนี่ยนะ สําคัญว่ากายอันนั้นเนี่ยนะครับด้วยอํนนานาจที่ิี่เนี่ยนะราคะที่สําคัญแบบนั้นก็ชื่อว่าภาวะโยค่เหมือนกันนะครับบุคคลผู้ประกอบด้วยภวะโยคะนั้นชื่อว่าภาวะโยคยุตโตวาที่บายว่ายังละภวะราคะไม่ได้นะครับบดว่าอาคามีอาคามีเนี่ยนะแปลว่าต้องกลับมานะว่าบุคคลแม้จะดํารงอยู่ในพรหมโลกก็ยังมาสู่มนุษยโลกนี้ เป็นปกติด้วยสามารถแห่งการถือปฏิสนธินะครับถึงจะทําชานได้ยินดีในรูปประพบารูปประพบไปเกิดในภพนั้นนั้นเนี่ยนะก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะครับโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามาสู่ความเป็นอย่างนี้ดังนี้อธิบายว่า ม, มีอันต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้กล่าวคืออัตภาพแห่งมนุษย์เป็นธรรมดาได้แก่มีการบังเกิดในมนุษย์ทั้งหลายเป็นปกติ ไม่พ้นจากความเป็นมนุษย์อะไรเพื่อจะทรงแสดงว่าก็การมโยคะเป็นเหตุแห่งการมาสู่ความเป็นอย่างนี้ในมนุษย์โลกนี้โดยแท้ถึงกันนั้นผู้ใดประกอบด้วยการมโยคะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประกอบแม้ภวะโยคะโดยส่วนเดียวดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําทั้งสองไว้รวมกันว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยการมโยคะ และประกอบแล้วด้วยภวะโยคะนะบุคคลทั้งสองประเภทนี้นะครับคือทั้งที่มีกามโยคะมีภวะโยคะจะต้องย้อนกลับมาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดานะครับถ้ามาสู่โลกนี้แล้วจะได้ไปพรหมอีกไหมอันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะยากหน่อยถ้ามาสู่โลกนี้นะครับมาติดใจความหวานชื่นของกามทั้งหลายนะครับอาจจะไปต่ําวันนี้ก็ได้นะครับอ ย, อย่างเช่นก็ในคัมพีเนี่ยนะพูดถึงพระโพธิสัตว์ ที่จุติมาจากพรหมโลกนะครับไม่เคยสัมผัสหญิงเลยนะตอนหลังได้สัมผัสหญิงเข้านะครับไม่ไม่อยากให้ใครได้สัมผัสแบบนี้เลยแบบเราเลยนะครับถือดาบไล่ฆ่าผู้ชายให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาเสพแบบเรานะครับแเดี๋ยวจะไม่มีความสุขแบบเรานะอันดีนะตอนหลังสลดสังเวชใจจึงได้บวชถ้าไม่สังเวชใจก็อดแน่นะครับอับายเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ยากจะได้กลับคืนหวนไปสู่พรหมโลกอีกนะครับ นะเพราะว่าแรงดึงดูดของกามาภูมิเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเห็นโทษของกามทั้งหลายอย่างแท้จริงนะครับจึงจะพ้นได้ถ้าไม่เห็นโทษจริงๆเนี่ยนะครับฟังเสียงออดอ้อนจะจ้ า, จ า, จาไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับชานเสื่อมหมดแหละพะลูกเจ้าเรียบกลับมานะนะเสร็จแล้วนะใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะนะก็ พระรูปเนี่ยงไงยอมคนหนึ่งมาแซวอ่ะนะยอมผู้หญิงอ่ะนะแซวโอ้โหลจังนะครับโอยไม่เป็นอันทํากรรมฐานกรรมฐานอะไรแนละ้วพระรูปนี้นะครับพระนมรูปนี่นะน่าดูเหมือนกันโยมก็ชมนะครับโอ้โหลจังคำว่างันอ่ะนะพระนี้ก็พรรษาก็ใหม่กรรมฐานก่อใหม่มีนะครับพอได้ยินเสียงแบบนี้เข้าเนี่ยโอ้ใจคอนี่ปั่น ป, นป่วนไปหมดเลย ครับในที่สุดก็บวชอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําแค่ไม่กี่คํานี่นะครับสเถือนใจพระเน้นหน้าดูเลยนะเมีพระรุ่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับว่านั่งรถรอรถโดยสารจะกลับบ้านดอยวแล้วก็โยมผู้หญิงนั่งคนละฝั่งฟังรถสองแถวนะฮะอยู่คนละฝั่งนะคุยกันแบบให้ได้ยินเลยนะครับว่า ท่านหนักใจจริงๆเลยทําไมคนลูกตอหล่อถึงได้หนีไปบวชหมดนะ <g ül> <c oughs> น่ยเป็นคํำพูดคำเน้แล้วทําให้เขากลับมาแล้วเขาคิดคนที่เอาพดกับใครต่อใครบวเนี่ยนึกถึงก็เขาลอกตรงนี้ครับก็จะเสียผ้าเสียนเนนกันตรงนี้นะมันค่อยคําบางคําเนี่ยนะครับมันก็ชากใจผ้านหนุมเนนน้อยกันน่าดูเลยนะ <c oughs> โอ้ยคําของพระพุทธเจ้ า, ธธจาไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจขนาดนี้เลยอ่ะนะครับ พอได้ยินเสียงนั้นกันนะครับเป็นฟืนเผาศพนะครับเป็นฟืนเผาผีทันทีเลยนะพอได้ยินเสียงนั้นเลยนะนะครับร่างกายนี้สัมมณะเพศนะครับแต่จิตใจเนี่ยฟืนเผาศพดีๆประโยชน์ทางโลกก็ไม่ได้ประโยชน์ทางธรรมก็อดนะครับบริโภคอาหารของชาวแว่นแคว้นด้วยไม่ใช่ด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับปั จ, จวงปั จ, จเวกเนี่ยลืมมดนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมาบวชแล้วก็ไม่แต่ว่าจะพ้น ง, ง่ายๆนะครับ ครับในที่สุดก็กามเนี่ยดึงไปอีกแล้วนะครับ แ, รแม้อสุภาฌานก็ชื่อว่ากามโยคะวิสังโยโคนะครับคือเอาตัวอสุภานะอสุภาฌานหมายถึงว่าฌานจิตที่มีอสุภาเป็นอารมณ์นะครับก็ชื่อว่ากามวิสังโยคนะครับวิสังโยคเนี่ยแปลว่าไม่ประกอบอะนะการไม่ประกอบด้วยกามเนี่ยหมายถึงระดับอสุภาฌานในบทว่า กามโยคะวิสังยุโตนี้อนาคามีมักที่พระอริยบุคคลบรรลุแล้วโดยกระทําอสุภฌ า, านนั้นให้เป็นบาทชื่อว่าผู้พลากจากกามโยคะโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นต้นเลยก็ต้องผู้ที่เป็นราคะจริญเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาหรือเจริญอสุภกรรมฐานให้ละเอียดละอ่อให้คม กามาฌานท่านิวรณได้นะครับโดยการพิจารณาถึงโทษของกามโดยประการต่างๆนะครับให้เพียงพอที่จะเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายพอที่ใจจะไม่ผูกพันแล้วก็เจริญอ ส, สุภะกรรมฐานให้ถึงระดับฌานเมื่อเจริญอ ส, สุภะกรรมฐานจนได้ในระดับฌานก็ออกจากฌานนั่นแหละครับพิจารณาองค์ฌานแล้วก็พิจารณาอารมณ์คืออ ส, สุภะเหล่านั้นโดยความเป็นรูปน้ําขันห้าพร้อมทั้งตัดใจนะครับ แล้วก็ไข้ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีนะครับนั้นพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนับในสิ่งเหล่านี้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้เมื่อเป็นพระอนาคามีก็พ้นจากกามนะครับเป็นกามะโยคะวิสังโยโคนะครับพ่อการครับจะต้องอธิบายเรื่องพิจารณาโดยความเป็นโรคโดยความเป็นหัวฝีให้ฟังไหครับอันไหน เขาบอกว่าว่าฝีทั้งหลายเนี่ยมันเกิดเกิดที่ไหนนะครับคือร่างกายนี่นะถ้าพูดเป็นร่างกายฝีมันก็เกิดในกายเนี่ยแหละครับในร่างกายทุกส่วนเนี่ยนะครับถ้าเห็นเด็กเนี่ยนะเด็กบางคนที่ฝีเนี่ยนะครับออกตามหัวตามตัวเนี่ยนะไม่ต้องเด็กหรอกครับผมยังนึกถึงตอนที่เป็นอีสุกอิสยัยมันก็คล้ายๆกับฝีนั่นะครับมันเป็นเต็มตัวเต็มหน้าเต็มแขนเต็มขาไปหมดนะครับมันเร่าร้อนเนี่ยนะ มันก็คือเหมือนกับคนที่เป็นสิวที่มันหายไม่เป็นนะครับลักษณะนะั้นะนะในในกายอันนี้นะคือไอ้คําว่าฝีเป็นต้นเนี่ยให้บ่งถึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขลักษณะนะมันไม่ได้มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวอะไรหรอกนะครับแม้กระทั่งเส้นผมเนี่ยนะถ้าหากว่าเส้นผมเนี่ยที่เน่าเฟะเป็นต้นเนี่ยนะครับด้วยเป็นเหตุบางอย่างที่ทําให้เป็นแผลหายไม่เป็นเนี่ยนะครับน้ำเหลืองเป็นต้นก็ไหลยเยิ้มเนี่ยนะ แม้กระทั่งตามเนื้อตามตัวของคนที่เป็นฝีดาดนะครับเป็นฝีถ้าเป็นเหมือนกับพระปูติคฆตตะด้วยก็นะครับมันกินมาตั้งแต่กระดูกนะครับก็มาแตกมาไหลมาเยอะมาปริกออกไปตามเนื้อตามตัวที่นี้ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับกายภาษาทะก็โดนใช่ไหมพอกายภาษาทะมีอย่างนั้นแล้วกายะวิญญาณทุกขกายะวิญญาณก็กำเริบเสบสารนะครับหนักเข้าไปอีกนะครับ พกาญาวิญญาณที่เป็นทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยนะครับชาวนะก็เป็นตายกับโทสะนะครับทีนี้อเจตนากรรมที่ที่เกิดร่วมนั้นก็ทํากิจของเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคเป็นฝีจริงๆด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เปรียบเหมือนโรคเปรียบเหมือนฝีด้วยอย่างหนึ่งนะครับจะต้องคอยเช็ดคอยล้างคอยบริหารเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นที่ไหลออกของสิ่งสกปรกปฏิกูลน่าเกลียดโดยประการต่างๆนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นนะครับแม้แต่ในอดีตก็ต้องบริหารมาอย่างนี้อยู่แล้วอนาคตต่อไปก็จะต้องบริหารอย่างงี้ไปเรื่อยนะครับไม่มีจบมีสิ้นเมื่อเป็นไปในลนนักษณะนี้นานๆเข้าเนี่ยนะครับอันนี้แหละก็เรียกว่าชราหรือว่าหนักๆ ก, ก็จะเป็นมรณะไปมันต้นเหตุแห่งชรามรณะนี่คืออะไรครับก็คือความติดพันความเพลิดเพลินความหมกมุ่นความยินดีในสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเล่าเหล่านี้เนี่ยนะครับถามว่าเขาเบื่อหน่ายกายอันนี้เลยไหมเขาเบื่อครับแต่เขาอยากได้อันใหม่เนี่ยนะครับ<ม>เขาอยากได้อันใหม่เพราะฉะนั้นไอ้กิเลสที่สเสนาหาห้อยหายินดีหาอันใหม่นั่นแหละครับเป็นสมุทัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งรูปประกายอันใหม่ของเขานะที่จริงแล้วหน้าเบื่อหน่ายนะสมมติคนแขนขาด้าขาดพี่กองพี่การเนี่ยนะน่าจะปรารถนาพ้นจากวัตะนะครับแต่ไม่หรอกครับเขาอยากได้กายอันใหม่นะครับ อยากได้กายอันดีกว่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทิ้งกายอันนี้ก็ยินดีในกายอันใหม่นะครับด้วยอํนนานาจของตัณหาที่เชื่อมถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีข้อปฏิบัติตามสมถะและวิปัสนาตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากนะครับที่จะเบื่อหน่ายในรู ป, ปกายทั้งหลายยากนักที่จะเบื่อหน่ายในนามกายทั้งหลายยากที่จะเบื่อหน่ายในความคิดนะครับอันนี้นะเราเคยคิดไหมเบื่อไหมความคิดเนี่ยนะเคยเออความคิดนี่เป็นแต่กรรมและผลของกรรมนะ มันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนะเบื่อหน่ายเหลือเกินในการรับรู้เบื่อหน่ายที่จะคิดเนี่ยนะครับมีไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าหาพ้นเลยนะครับจากวัฏตะทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านอธิบายคําว่าโรคคําว่าฝีเนี่ยนะครับก็บ่งถึงว่ามันเสียดแทงเนี่ยนะมันเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ปฏิกูลทั้งหลายเป็นนะถ้าฝีทั้งหลายก็เป็นที่ไหลออกของน้ําหนองน้ําเลือด อ่านะร่างกายที่เรียกว่าเป็นฝีเพราะเป็นที่ไหลออกของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะครับก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ราคะเป็นต้นก็จะเกิดนะครับนั่นก็ทําตีรณปริญญาให้มากๆนะครับเพราะเหตุนั้นพระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลแห่งมรรคที่สมคืออนาคามีผลเนี่ยนะท่านเรียกว่ากาโมโยคาวิสังยุตโตพรากแล้วจากกาโมโยคานั้นดังนี้ก็เพราะเหตุที่ชำระราคะในรูปประพบและอรูปประพบ อันพระโยคาวจรคือพระอนาคามีมรคนี่นะครับยังละไม่ได้ฉะนั้นพระโยคาวจรนั้นจึงเรียกว่าภวะโยคะสังยุตโตเพราะยังละภวะโยคะไม่ได้นะครับคื อ, อยังยินดีในรูปประพบเช่นยังยินดีในสุทาวาสอยู่นะครับนียินดีในสุทาวาสนี่นะถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสนะพรมชั้นนั้นเนี่ยนะ นิวรห้ามไม่กลุ่มรุมสงสัยจะพิจารณาอะไรได้เยอะใคร่ครวนได้มากสติปัญญามีรัศมีเป็นต้น น, นะครับอาจจะยินดีอย่างนั้นก็เลยยังยินดีในพบอยู่นี่ต่อไปนะครับว่าบทว่าอนาคามีได้แก่พระอริยบุคคลผู้ไม่มาสู่กามโลกด้วยสา ม, มารถแห่งการปฏิสนธิคือไม่ไม่ต้องมาปฏิสนธิในภพนี้อีกแล้วนะครับ อธิบายว่าพระอนาคามีบุคคลเชื่อว่าไม่ต้องมาสู่ความเป็นอย่างนี้เพราะสำเร็จความเป็นผู้ไม่มีสังโยชน์ในภายในด้วยการเพิกถอนเสียได้ซึ่งโอรัมพาขิยะสังโ ย, โยชน์โดยไม่มีส่วนเหลือนะครับคือถอนสังโยชน์เบื้องต่ำนะครับสังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งประกอบไปด้วยสกายาทิทิวิจิกิจชาสีละพตะปรามาสกามราคะและปฏิฆะ ฉันสังโยชน์เบื้องต่ำทั้ง5้าประการเหล่านี้เนี่ยท่านถอนได้หมดนะครับซึ่งโอรามภาคีญาสังโยชน์โดยไม่มีส่วนเหลือพร้อมกับด้วยสามารถแห่งการพลากจากการมโยคะนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในกามาคุณเลยนะครับทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์หรือของเทวดาในสวรรค์ชั้ น, นต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผู้ปรินิพานในชั้นนั้นนะครับคือในชั้นสุทาวาสนะนะมีอันไม่กลับมาเป็นธรรมดาไม่ต้องมาเกิดในภพนี้อีกแล้วนะครับ แต่ถ้ามีพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระอนาคามีทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมากราบจะมาฟังธรรมเป็นต้นนะครับท่านก็ยังมาแต่ว่าไม่ใช่มาเกิดนะมาเยี่ยมคนมีบุญทั้งหลายนะครับหรือบางทีก็จะมาแนะนําข้อปฏิบัติ บ, ตบางอย่างแก่เพื่อนเก่านะครับเช่นเพื่อนของพระพาหิยะที่เป็นพรหมชั้นอนาคามีก็ลงมาเตือนนะครับหรือเข้ามาหาท่านพระกุมารกษัสปะ เข้ามาหาปริภาชกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนเก่านะครับก็ลักษณะนั้นแต่ท่านไม่มาปฏิสนธิแล้วก็ภวะโยคะอันพระริยะบุคคลใดละได้แล้วโดยไม่มีส่วนเหลือแม้กิเลสที่เหลือมีอวิชชายโยคะเป็นต้นย่อมชื่อว่าเป็นอันพระรยาบุคคลนั้นละได้แล้วทีเดียว เพราะเหตุที่กิเลสเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในที่เดียวกันเพราะเหตุนั้นพระอริยะบุคคลผู้มีสังโยชน์คือพบอันสิ้นแล้วนั้นท่านจึงเรียกว่าพระอรหันตะขีนาศเพราะว่าพระอรหันต์นี้ละกิเลสทั้งหมดนะครับละอวิชชานะครับคือละรูปปราคาอรู ป, ปราคามานะอุทธจะและอวิชชาได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิเลสทุกสิ่งเนี่ยพระอรหันต์ละได้โดยที่ไม่มีส่วนเหลือ ด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายพระอริยบุคคลผู้พรกแล้วจากการมโยคะพรกแล้วจากภาวะโยคะเป็นภ่าอหารตะขีนาศดังนี้นะครับก็ในอธิการนี้พึงเห็นว่าพระอนาคามีผู้พรกแล้วจากการมโยคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อตรัสสรรเสริญตติยมัคนะคนะดุจ การละสุขทุกโสมนัตโทมนัตของจตุตฌานนะครับและสารเสริญจตุธรรมนะครับคือสารเสริญจตุตฌานนะครับสรนเสริญจตุธรรมะก็คือสรรเสริญอรหัตธรรมะว่าเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชตคือทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพตะปราห ม, มาฉะนั้นปุตุชนทั้งหมดพร้อมด้วยพระโสดาบันและพระสกะทาคามีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยบทแรกคือหมายความว่าจะต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีก นะครับพระโสดาบันก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์นะเอาพระโสดาบันประเภทสตักขตุประมะนะครับผ้านาคามีทั้งหมดถือเอาด้วยบทที่2คือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกนะครับส่วนพระารหัน์ถือเอาด้วยบทที่3ห ม, มายความว่าปรินิพานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอย่างพระเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือพผ้ารหันนะครับสูตรสั้นๆนะพค์ก็ตรัดจบด้วยพระารหันเลยนะครับ แล้วที่คาถาว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยการม โ, มโยคะและภวะโยคะย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายนะครับคือถ้ายังมีกิเลสใช่ไหมครับก็ไม่พ้นจากความเกิดและความตายเพราะกิเลสนี้เป็นเหตุแห่งความเกิดและความตายนะส่วนสัตว์เหลา่าใดละกามทั้งหลายได้เด็ดขาดคือละราคะละกิเลสเนี่ยนะแต่ยังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะคือยังมียาวิชาสวะภวะสวะเนี่ยนะ ยังประกอบด้วยภวะโยคะสัตว์เหล่านั้นบัณฑด็จกล่าวว่าเป็นพระอนาคามีส่วนสัตว์เหล่าใดตัดขาดความสงสัยได้แล้วมีมานะและมีภพใหม่สิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นแลถึงฝั่งแล้วในโลกนะครับเป็นพระรหันนะตัดวิจิกิจชาตัดมานะตัดกิเลสเป็นเหตุแห่งภพใหม่ได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ อธิบายว่าอุพยังแปลว่าโดยส่วนสองนะครับคือประกอบด้วยกามโยคะและภวะโยคะทั้งสองบทว่าสัตตาคัตชันติสังสารังความว่าสัตสามประเภทเหล่านี้คือปุตุชนพระโสดาบานันพัสกธาคามียังต้องไปคือท่องเที่ยวไปเพราะยังละกามโยคะและภวะโยคะไม่ได้ต่อจากนั้นก็จะเป็นผู้ไปสู่ชาติและมรณะ เพราะว่าพระโสดาบันก็ยังแก่และตายอีกนะครับยังตายยังแก่ยังตายอีกเจดชาตินะครับพระสะกธาคามีก็ยังแก่ยังตายอีกนะครับแต่ว่ามาสู่ชาติความเป็นมนุษย์ชาติเดียวในบรรดาพระโสดาบันบุคบคลสามจำพวกนะครับพระโสดาบันนี่มีสามประเภทคือเอกพิชีหนึ่งกลังโกละหนึ่งส ต, ะะตักขโตประมะหนึ่งนะครับเหล่านี้ พระโสดาบันผู้มีอินทรีย์นะครับศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะครับอ่อนกว่าเขาทั้งหมดชื่อว่าสัตตกัตกตุปะมะท่านย่อมไม่เกิดในภพที่แดแต่ยังท่องเที่ยวไปด้วยสามารถแห่งการเกิดของตนที่ธรรมดากำหนดไว้นะครับ <S <S คือหมายคึงว่าภพที่แดเนี่ยนะครับจะไม่มาสู่ความเป็นมนุษย์อีกแล้วนะครับพระโสดาบันแมนอกนี้ก็เหมือนกัน แม้บรรดาพระสกทาคามีทั้งหลายพระสกทาคามีใดบรรลุกสกทาคามีมากในโลกนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกมาบังเกิดในโลกนี้อีกพระสกทาคามีนั้นชื่อว่าท่องเที่ยวไปด้วยสา ม, มารถแห่งชาติที่ตนกําหนดแล้วคือมาครั้งเดียวนะแต่พระสกทาคามีบุคคลเหล่าใดย่อมบังเกิดในเทวโลกนั้น น, น, นั่นแหละหรือในมนุษย์โลกนั่นเองโดยเว้นโวมิสกนัย พระสกะทาคามีเหล่านั้นยังต้องท่องเที่ยวไปอยู่นั่นเองเพราะยังต้องไปเกิดบ่อยๆจนกว่าอินทรีย์จะแก่กล้าโดยได้บรรลุมัชชั้นสูงขึ้ น, ข, นขึ้นไปนะครับหมายความว่าท่านอาจจะตายเกิดตายเกิดในสวรรค์ไปเรื่อยนะครับสูงขึ้นสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาจะแก่กล้าเบื่อหน่ายในวะตะัตเจึงสา ม, มารถตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุเป็นพระนาคามีเป็นพระอรหันต์ต่อไป ออมีสงสัยกันว่าพระโสดาบันแลว้วก็พระสะกัดทาคามีเนี่ยจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไหมนะมีขวาสงสัยอยู่แล้วนี่ก็บอกว่าย่อมบังเกิดในเทวโลกนั่นนั่นแหละหรือในมนุษย์นั่นเองโดยเว้นโวมิสกัดไนไม่รู้ว่าอะไรนะครับโวมิสกัดไนนี้โดยศัพท์แด้ว่าอะไรครับ มิสกานะครับถ้าโดยทั่วๆไปก็แปลว่าละคนน่ยนะหมายความว่าอาจจะสลับกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะครับคือสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์หมายความว่าพระโสดาบันกับพระสกทาคามีก็ยังเกิดเป็นมนุษย์อยู่นะครับแต่พระสกทาคามีเนี่ยนะมาเกิดแบบเลือกตระกูลเกิดได้นะครับถ้าพระสกทาคามีนี่เลือกตระกูลเกิดได้ถ้าหาว่าเป็นพระโสดาบันก็ไม่เกิดในตระกูลที่ตกต่ำนะครับ แต่ในปุตุชนเรื่องที่จะต้องกล่าวถึงไม่มีเลยเพราะสังโยชน์ทั้งปูในภพทั้งปวงยังไม่หมดสิน้นไม่ต้องพูดหรอกครับว่าจะไม่มาอีกว่างั้นนะนะไม่ต้องพูดหรอกครับว่าจะไม่ต้องมาพักพระาธาตุโกดแก้วอีกว่างั้นนะมาเรื่อยเนาะว่างั้นแต่ลักษณะเนี่นะเพราะอะไรครับเพราะกิเลสเป็นเหตุมาเกิดมนุษย์ยังไม่หมดนี่ว่า ง, งั้นเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่ที่นี่เลยที่อื่นก็นไปนะครับนะครั บ, นะรบแบกศพไปฝากที่ฝังศพนะครับแบกศพไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ นะร่างกายนี่ก็เหมือนกระสอบนะแบกบไปฝังไว้ไม่รู้กี่หนดอกกี่หนกี่แห่งดอกกี่แห่งนะครับนะขนาดว่าที่ที่ไม่เคยฝังศพก็ยังมีศพฝังไปแล้วแปดหมสี่พันศพนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาที่ฝังที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับไม่รู้ว่าอั้นเขาบอกว่าสิ่งที่รู้ไม่ได้มีสามประการหนึ่งเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายแล้วก็พบหน้าที่จะมีต่อไปสําหรับปุถุชนทั้งหลายนะครับรู้ได้ยาก แต่ถ้าหากว่าประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระค่าปัญญาก็กําหนดได้นะครับแต่ถ้าขาดศรัทธาศีลสุตตะจากะค่าปัญญาเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงพอก็ยากนะครับไม่รู้ว่าพบน่าจะเป็นอย่างไรก็วัดวั ด, ว, ดวัดอะไรนะถ้าวัดดวงก็ไม่ใช่คำสอนอั น, นใช้ก็วัดความคิดกันดูเวลาใกล้จะตายเนี่ยวัดจิตวัดใจวัดสติกําลังนะครับ วัดความรู้ความสา ม, มารถเวลาใกล้จะตายว่าทำจิตให้เป็นกุศลได้ไหมถ้าทำจิตให้เป็นกุศลได้ก็แสดงว่าไปดี ม, <c oughs> มนุษย์ไม่มีกุ้น <c oughs> มีแต่เป็ดมีแต่ไก่ <c oughs> สำนวนอ่ะนะตอนนี้ก็คือวัดสติปัญญาวัดความสา ม, มารถวัดสถาพระิริยะสติสมาธิปัญญานะถ้ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่เกิดก็แย่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า สาตร์ทั้งหลายผู้ประกอบแล้วด้วยการโยคะและภาวะโยคะทั้งสองย่อมไปสู่สงสารซึ่งมีปกติถึงความเกิดและความตายนะครับถ้ามองเห็นรูปก็สวยไปหมดฟังเสียงก็เพราะได้กลิ่นก็หอมนะครับอาหารก็อร่อยนะครับเนี่ยนะหนาวอย่างนี้ได้ผ้าห่มก็ดีดีนะครับถ้าร้อนไหน่อยได้อาบนะ้ำมีแอร์อยู่เย็นสบายอย่างนี้นะถ้ายินดีแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับเกิดตาอีกนานนะครับ เพราะฉะนั้นลืมตามองเห็นอันโน่นก็งามอันนี้ก็งามเออเกิดตายอีกนานฟังเสียงเพราๆเมื่อไร่โอ้ยอย่างเงี้เกิดตายอีกนานนะครับได้เจอกลิ่นน้ําหอมอะไรเข้าไปเออหอมดีนะเนี่ยเกิดตายอีกนานนะโ อ, อ้อนนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยนะครับโน่นก็ดีนี่ก็ ff, น่าเสียดายอันนี้เกิดตายอีกนานนะครับผ้าโน่นก็ดีผ้านี้ก็ใช้ดีเป็นต้นเนี่ยนะอันโน่นก็ดีอันนี้ก็ดี Ooh, โอเกิดตายอีกนานนะครับ ทำใจไว้เถอะครับมีรัเจ็บเวลาตายก็อย่าไปบ่นนะเพราะอะไรเพราะว่าชอบไปหมดเลยอ่ะเพราะว่าความชอบใจในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งความแก่และความตายถ้าเพลิดเพลินชอบใจในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ต้องบ่นต่อไปนะครับเพราะมันเป็นผลน่ะนะก็พระองค์ตรัสว่าความรักมีโศกปริเทวะทุกขโทมานัสและอุปาญาตเป็นผลนี่เป็นผลแห่งความรักผลแห่งความเพลิดเพลินนะและพระองค์ก็ตรัสบางแห่งว่า เราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้สักน้อยหนึ่งนนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัะและอุปายาตเมื่อรูปเหล่านั้นเปลี่ยนไปนะครับอันทุกๆอารมณ์เนี่ยนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก่อให้เกิดโศกะปริเทวะทุกขโทมาัะและอุปายาตแค่ดูนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็ยังทําให้เกิดทุกขะกายวิญญาณมันก่อนไนดะ้ยินเสียงโยมก็บ่นว่าน้าวนานะครับมันแสดงว่าทุกขะกายวิญญาณได้เกิดขึ้นแล้วนะครับของเราเองก็โอ้ oh นาดูกันนะครับเนี่ยนะทายิ่งไปเบนธบาตเช้าเ้าใช่ไหมเหยียบพื้นเป็นไงครับอากาศเย็ยนเย็นเหยียบพื้นแข็งแขงเนี่ยนะครับทุกขกายาวิญญาณก็จะเกิดขึ้นลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะทั้งนา้ามือเนี่ยเย็นชาไปหมดนะครับอุ้มบาตจับบาตนี่มันเย็นไปหมดนะเนี่ยนะเย็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ยังนึกถึงความอุ่นนะในรับความเย็นอย่างนั้นก็นึกถึงไออุ่นอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละครั บ, นนรบเจตนานะนะั้นพาเกิดพาตายอีกนาน นะครับแทนที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นทุกเห็นโทษนะก็นึกถึงไออุ่นเ่างอนกันเดี๋ยนะนั่นแหลนะนะ<อ>ไอไออุ่นนั่นแหละครับคือความเกิดและความตายอเอาครับเราจะใส่ใจยังไงดีครับ อ, อก็พระพุทธเจ้าสอนอยังไงก็ใส่ใจอย่างนั้นนะครับศรัทธาสูตรไหนก็ใส่ใจตามสูตรนั้นนะครับตอบแทนก็ยากเหมือนกันเนี่ยนะถามว่ามหาภูตรูปใช่ไหมที่ เย็นร้อนเนี่ยนะสภาพที่เย็นอุ่นเป็นต้นนี้ก็คือมหาภูตรูปเนี่ยนะแล้วก็คิดวนะ่าเอ อ, อ, น อ, อเนี่ยนะคืออัสสรพิษนะครับอัสสรพิษเนี่ยนะดีนะถ้ามันร้อนกว่านี้เนี่ยมันเหมือนกับพิษมันกัดนะนะถ้ามันเย็นกว่านี้อกีกมันก็เหมือน ก, นกับพิษมันกัด <Sí. S 1> เพราะฉะนั้นอสสรพิษนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่เหมือนกับอสสรพิษทีนี้อสสรพิษเนี่ยเป็นรูปประคันเพราะฉะนั้นเหมือนกับฟองน้ํานะครับเหมือนกับโรงพยาบาล นะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมของความป่วยไข่มันนั่นแหะศูนย์รวมแห่งความเจ็บไข่ศูนย์รวมแห่งความทรมานก็เกิดในกายเหล่านี้นีแ่แหละนะครับเพราะฉะนั้นจึงเหมือนโรงพยาบาลนะครับศูนย์รวมแห่งความเจ็บปวดนะครับมันนั่นแหละครับทา่าที่ในตัวเราเนี่ยที่เกิดโดยกรรมจิตอุตจาอาหารที่เป็นมหาพุทธรูปเนี่ยกับทาตีข้างนอกเนี่ยมีความเสมอกันไหม ต้องกล่าวด้วยเสมอด้วยสิ่งใด้นะครับถ้าโดยสมุดฐานก็ไม่เสมอกันแต่เสมอกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับเพรานผู้ที่เจริญหรือพิจรารณ า, าธาตุมากๆก็จะเห็นว่ากายนี้กับใบไม้ใบหญ้าไม่มีความต่างกันโดยสภาวะนะครับเช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งของต้นไม้กับของร่างกายก็ไม่มีความต่างกันนะครับแต่เนื่องจากสมุดฐานที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ แต่อย่าลืมว่าร่างกายอันนี้นี่นะครับกรรมมาอาศัยใเฉยๆนะแต่ที่มันเจริญเติบโตนี่อาศัยอาหารนะครับมันก็อาศัยต้นไม้ใบหญ้ า, าทั้งหลายที่าทมาประกอบกันเป็นอาหารนั่ น, น, นแหละนะครับแต่กรรมทั้งหลายมาอาศัยเฉยๆเท่านั้นเองนะครับนี่นะกรรมนี่เป็นตัวตกแต่ ง, งให้วิจิตจิตเป็นตัวตกแต่งให้วิจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความไม่มีสาระ ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากต้นไม้ใบหญานะครับบทว่ากาเมปหันตวาณนะความว่าละกิเลสกามทั้งหลายกล่าวคือกามราคะด้วยพระอนาคามิมัตนะครับบทว่าชินนัสังสยาความว่ามีความสงสัยอันตัดขาดแล้วด้วยดีก็แลการตัดความสงสัยนั่นแลจะมีได้ก็ด้วยพระโสดาปฏิมัติเท่านั้นก็เพื่อจะทรงสารเสริญ มัคที่4จึงได้ตรัสไว้อย่างนั้นนะครับสรนเสริญว่ามัคที่4เนี่ยนะครับต้องผ่านโสดาปฏิมัคแต่ว่ า, าที่กล่าวให้เห็นว่าอรหัตตมัค ก, ก็ตัดความสงสัยได้ที่จริงแล้วตัดตั้งแต่โสดาปฏิมัคแล้วอธิบายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทรงประสงค์เอาว่าผู้ตัดความสงสัยได้แล้วในพัฒนานี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าขีณนะาณนะ ปูนัพภาวามีมา n ะและพบใหม่สิ้นแล้วดังนี้พระรายาบุคคลชื่อว่ามีมา n ะและพบใหม่สิ้นแล้วเพราะท่านมีมา n ะทั้งเก้าและพบใหม่ต่อไปสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนะครับเห็นไหมกามาพบรูประพบอรูณประพบนะครับนันะเอกวการพบเจตวการพนะครับหรือว่าสัญญาภพอสัญญาภพบเนวสัญญานาะสัญญาพ การปฏิสนธิในภพใดๆไม่มีสําหรับพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปฏิสนธิชาติก็ไม่ยั่งลงเมื่อชาติไม่หลังลงชารามรณะก็ไม่เกิดเมื่อชารามรณะไม่เกิดนะครับสาเหตุแห่งโสกปริเทวทุกขโทมานะและอุปายาตก็ไม่มีพระอริยบุคคลเชื่อว่ามีมานะและภพใหม่สิ้นแล้วเพราะท่านมีมานะทั้งเก้าและภพใหม่ต่อไปสิ้นแล้วโดยประการทั้งปวง ก็ในบทว่าขีณะมาณปุณพวานี้กิเลตอันมักที่สี่จะพึงฆ่าทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยมาณศัพท์นะครับคือรูปปาราฆารูปปาราฆมาณอุทธจาวิชานี่นะครับพูดแค่มานะก็พอหรือด้วยสามารถแห่งลักษณะเพราะกิเลสมีอัดอย่างเดียวกับมาณ น, นั้นนะครับก็สอปปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วโดยที่พระขีณาศก มีอาสะวะสิ้นแล้วนะครับคือพิจารณาทำปริญญาในขันห้จนบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดทั้งหมดแล้วก็สิ้นกิเลสนะครับเป็นสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุนะครับอันุปาที่เสสะนิพพานธาตุก็เป็นอันพระองค์ตรัสแล้วโดยที่พระคีณาศพมีพบใหม่สิ้นแล้วนะครับพอท่านทิ้งร่างกายอันนี้ก็จะไม่ถือเอาร่างกายอันใหม่ อันที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็ยินดีในร่างกายอันใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นบางทีก็ลืมนึกไปว่าโอ้ชราและมรณะก็อาศัยกายที่จะเกิดใหม่นั่นแหละนะครับทุกโทมนัสและอุปายาทก็อาศัยกายอันใหม่นั่นแหละเกิดขึ้นนะครับโรคทุกชนิดก็อาศัยกายเหล่านั้นนหะเกิดขึ้นการลงโทษทุกชนิดก็อาศัยกายนั่นแหละครับ การประกอบอาชีพทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนะครับเต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นก็กายเหล่านั้นกิเลสตัณหาสงครามทั้งหลายก็อาศัยกายเหล่านั้นนั่นแหละเกิดขึ้นนะครับกิเลสทั้งหลายก็อาศัยดังนั้นเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายทุกชนิดก็อาศัยเริ่มเรียกว่าอะไรนะเริ่มแรกคือนับตั้งแต่ปฏิสนธินะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งวัตทุกทุกชนิดถ้าไม่ปฏิสนธิแล้วนี่นะครับทุกทั้งหลายในโลกนี้จะไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับ อันนี้ก็จบนะครับในกามาสูตรที่7